เกมกรรมบทที่11หลักฐานของเกมกรรมทั้งตัวคุณคือหลักฐานของเกมจะรู้หรือไม่ก็ตามหัวข้อลำดับขั้นในการเปลี่ยนแปลงชีวิตอะไรก็ตามที่ถูกตกแต่งด้วยกฎแห่งกรรมวิบากจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นอื่นเสมอแต่กฎแห่งกรรมวิบากจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยสิ้นกาลนาน ทั้งนี้เพราะกฏแห่งกรรมวิบากนั่นเองคือเกมกรรมทั้งเกมไม่ว่าคุณจะทิ้งเกมกรรมหลุดพ้นจากโรงรั้วของเกมกรรมเป็นนานแสนนานแค่ไหนจะยังคงมีใครหลายคนตกค้างอยู่อย่างเดิมถูกเล่นงานด้วยกฎดเดิมๆถูกบีบคั้นด้วยเครื่องล่อใจเดิมๆต้องออกแรงต้านล้มลุกลุกคลานด้วยท่วงท่าเดิมๆ ด, ด้วยรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครจำใครได้ ไม่มีใครสลักสำคัญพอจะมีชื่อบนเสาสลักต้นใดในเกมกรรมชื่อแซและหน้าตาของทุกคนจะโดนลบทิ้งไปทั้งหมดหาอะไรหลงเหลือเป็นร่องรอยความทรงจำของใครไม่ได้เลยและแค่คุณมาตามทิศที่จะนำไปสู่ทางออกจากเกมกรรมแล้วระยะหนึ่งมองย้อนกลับเข้ามาถึงใจกลางเกมกรรมอันหนาแน่นด้วยสนามพลังดึงดูดให้ลงต่าคุณจะได้ข้อสรุปประการหนึ่ง คือเกมกรรมเล่นยากที่สุดก็ตรงจะให้ผู้เล่นเชื่อว่าเกมก ร, ร ม, มีจริงและกฎเหล็กของเกมการร ม, มีจริงเพียงเชื่อได้ว่าเกมกรรมไม่ใช่เรื่องหลอกทางออกก็เหมือนแงมเปิดบ้างแล้วแต่ก็นั่นแหละถ้าเกมเล่นง่ายทุกคนคงหลุดพ้นจากโรงของเกมไปหมดแล้วคุณจำเป็นต้องเชื่อจากการเห็นผลลั์และการเห็นผลลับก็ทาให้คุณพบกับเบื้องหลังเกมกำที่ถูกเปิดเผยขึ้นเรื่อย ถ้าทำดีแล้วได้ดีในนาทีเดียวทุกคนคงไม่สงสัยว่าผลกรรมมีหรือไม่มีแต่นี่ปัจจัยและตัวแปรในการให้ผลในเกมกรรมซับซ้อนเหลือกเกินและผลกรรมส่วนใหญ่ก็มาช้าเหมือนไม่มีวันมาถึงอาการคอยเปล่าจะทำให้คุณหมดแรงศรัทธาเมื่อทำแล้วไม่ได้ผลทันใจเมื่อไม่มีใครพรยากรได้ชัดเจนคุณจะรู้สึกเหมือนกฎแห่งกรรมวิบากไม่มีจริง อันนั้นไม่ใช่มายาลวงของเกมกรรมแต่เป็นเงื่อนไขของการให้ผลดังได้แสดงไว้แล้วในบทที่สิบว่าด้วยการให้ผลของกรรมซึ่งสัมพันธ์กับทุนเก่าของแต่ละคนฉะนั้นถ้าจะรอผลอันใดก็ขอให้แน่ใจว่าเป็นผลที่สมกับตัวสมกับทุนเก่าของคุณผลก็จะปรากฏเป็นที่ประจักษ์สมน้ําสมเนื้ออย่างแน่นอนสรุปแล้วถ้าทําบุญแล้วได้ดี แต่ไม่ใช่อย่างใจก็อย่าพึ่งไปโทษบุญผลบุญก็อย่างหนึ่งจะเอาให้ได้ดังใจก็อีกอย่างหนึ่งส่วนที่เหลือของบทนี้จะมุ่งให้สังเกตความแตกต่างหลังจากที่คุณเข้าใจเกมกรรมสมัครใจให้ทานรักษาศีลตลอดจนตกลงปรงใจหยุดเล่นเกมกรรมหัวข้อความรู้สึก หากคุณเลิกคาดหวังผลแบบคนอยากถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแต่คาดหวังความสุขทางใจเป็นที่หนึ่งคุณจะเห็นผลทันทีที่ทําบุญอย่างบริสุทธิ์ใจเพียงเล็กน้อยเช่นไปเดินเล่นริมสระเห็นคนให้อาหารปลาก็ไปซื้อมาให้บ้างความรู้สึกของคุณจะแตกต่างประจากการเดินเล่นเปล่าๆในทันทีนั่นเองคือนอกจากความสบายใจที่ได้เดินเล่นยังแถงความชุ่มชื่นเข้ามาด้วย จะอาจเจือจางและไม่ชัดเจนหากสายตาคุณไม่ดูปลาและใจคุณไม่จดจ่ออยู่กับการให้อย่างต่อเนื่องหากคุณฝึกสังเกตความจริงจนกระทั่งเกิดความฉลาดในเกมกรรมเวลาให้ทานมีใจอ่อนน้อมเล่งตาดูและเทใจให้ไม่สักแต่ให้ด้วยความเคยชินหรือท่าทีเฉยเมยแบบหุนยนคุณจะหาความสุขจากการให้ด้วยใจรักได้ทุกที่ทั่วโลก เช่นเดียวกับการถือศีลแต่ละข้อถ้าหมั่นสังเกตใจตนเองคุณจะเห็นความสุขทวีตัวมากขึ้นทุกวันเมื่อมีแต่ความรู้สึกด้านดีอบอุ่นใจสบายใจคุณก็จะเลิกกังวลว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตต่อให้ชีวิตเหมือนเข้าตาจนคุณก็จะไม่จนใจแต่อย่างใดเลยนี่แหละเรียกว่าเป็นสุขจนชีวิตแตกต่างกันเพราะแม้ความยากจนและสถานการณ์ลำบาก ก็ขโมยความสุขไปจากใจคุณไม่ได้เมื่อเผชิญกับสถานการณ์อันน่าเป็นทุกข์คุณก็ยังยิ้มได้แม้สำรวจกระเป๋าพบว่าเงินหายแต่สำรวจในอกในใจแล้วเพียงพบว่าความสุขยังอยู่กับคุณคุณก็ยิ้มออกและจะได้ข้อสรุปเยี่ยงคนเคยทำบุญว่าถ้าไม่เคยบริจาคหนึ่งพันคุณจะไม่มีวันรู้วิธีทาเงินหายหนึ่งพันด้วยความสบายใจได้เลย หัวข้อจิตเมื่อคุณสามารถรักษาสัญญากับตนเองเช่นตั้งใจรักษาสีแล้วรักษาได้แม้เกมกรรมจะส่งเรื่องยั่วยวนชวนเสียสัตว์ให้ลองใจสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดในระยะสั้นคือจิตจะเบาอบอุ่นสว่างจากภายในแล้วรู้สึกไว้ใจตัวเองเห็นตนเองเป็นคนที่ไว้ใจได้มากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็อาจยังมีช่องโหว่ทางความรู้สึก คือกลับไปกลับมาได้ท้อแท้ได้ลังเลสงสัยวันไหวได้หวนไปเชื่อเสียงกระซิบจากกิเลสได้ท้าไมถอดใจถอดเท้าไปซะก่อนให้กำลังใจตัวเองในการรักษาความดีได้นานพอในระยะยาวคุณมองเข้ามาข้างในทีไรจะเห็นแต่ความตั้งมั่นไม่เอาเรื่องผิดๆตั้งแต่ในมุง้งคือไม่ต้องช่างใจคิดว่าเอาดีหรือไม่เอาดีขอเพียงเป็นเรื่องผิดศีล จิตคุณก็ปฏิเสธหมดแล้วถึงขั้นนั้นคุณจะรู้สึกว่าจิตใจสงบเยือกเย็นความคิดด้านร้ายแม้มีอยู่ก็เบาบางลงมากสามารถควบคุมความคิดได้ง่ายขึ้นและไม่กลัวเสียงกระสิบในหัวอนันร้ายกาศจากภาคความเป็นคนเลวของคุณเองเพราะตระหนักว่าตัวคุณจริงๆยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามจิตคุณเหมือนอุปกรณ์เครื่องใช้คุณภาพดี แข็งแรงทนทานซึ่งไม่น่ากลัวว่าจะเสียหายเองหรือถูกสิ่งอื่นกระทำให้เสียหายง่ายเมื่อฝึกต่อยอดอีกเพียงมิดเดียวคุณจะเริ่มฉลาดทางจิตมากขึ้นทุกวันเช่นเห็นถนัดชัดว่าความฟุ้งซ่านกาะเขาพายุมาจากการเผลอพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นด้วยจิตคิดนินทาว่าร้ายครั้งต่อมาเพียงเห็นจิตคิดนินทาว่าร้ายปรากฏขึ้น สติก็ระลึกได้ว่านั่นเป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นเหตุแห่งสภาพจิตแย่ๆความอยากนินทาว่าร้ายก็หายไปความฟุ้งซ่านก็ไม่เกิดนั่นแหละเรียกฉลาดครบวงจรคือไม่ใช่แค่สักแต่เข้าใจเทว่ามีสติเท่าทันและห้ามใจได้ก่อนสายด้วยผู้มีความฉลาดทางจิตย่อมมีจิตที่สงบหนักแน่นและรู้เห็นโลกอย่างเที่ยงตรง อะไรจะมีค่าไปกว่าการมีจิตที่ดีขึ้นในเมื่อจิตคือสิ่งที่คุณต้องทนรำคาญหรือชื่นชมยินดีอยู่ตลอดวันตลอดคืนและจิตนี้เองเป็นต้นเขาของกรรมทั้งปวงเมื่อจิตสว่างย่อมปรารถนาที่จะทำกรรมขาวสุขติย่อมเป็นที่หวังเมื่อจิตมืดย่อมใครที่จะทำกรรมดำทุคติย่อมเป็นที่หวังที่สุดแล้วขอเพียงจิตคุณดีอย่างเดียว อะไรอย่างอื่นที่จะตามมาก็ดีหมดหากการเปลี่ยนแปลงของคุณเข้าลึกมาได้ถึงจิตก็แปลว่าทั้งปัจจุบันและอนาคตไม่มีอะไรน่าห่วงอีกแล้วหัวข้อหน้าตาเคราโครงรูปร่างหน้าตาของคนเราไม่ได้คงเส้นคงวาตายตัวอย่างที่คิด แม้อากาศอาหารการออกกําลังกายก็สามารถเปลี่ย น, ปยนแปลงคุณขนาดเห็นเงาตัวเองในกระจกและแปลกใจได้บ่อยๆกรรมก็เช่นกันคุณเปลี่ยนกรรมหน้าตาก็เปลี่ยนตามโดยเฉพาะในเรื่องของศีลจะเห็นผลชัดรวดเร็วคือต่อให้คุณเป็นคนผิวดําเมื่อรักษาศีลได้สะอาดสักระยะกระทั่งรู้สึกตั้งมั่นในศีลจะเหมือนมีรัศมีความขาวทอตัวออกมาจากภายใน ผิวคุณจะดูขาวขึ้นจนคนอื่นทักหากคุณมองคนอื่นด้วยความคิดที่ดีจิตเป็นเมตตาไม่มองด้วยอาการหมิน่นไม่มองด้วยแลสไนไม่มองด้วยความเป็นปาร์ปักไม่มองด้วยความระลึกถึงเวรที่ผูกกันมาในตาคุณจะมีประกายชวนมองมากขึ้นรวมทั้งรูปตาอาจเต็มขึ้นกว่าเดิมหากคุณทำบุญด้วยจิตเลื่อมใสขนาดยิ้มได้เต็มปาก ไม่ลังเลที่จะยิ้มชื่นใจในห้วงที่จิตเป็นบุญเป็นกุศลและจดจำจิตที่คิดยิ้มจริงใจสดใสนั้นได้จากยิ้มให้ใครต่อใครง่ายๆด้วยไมยตรีจิตบริสุทธิ์รูปปากและกล้ามเนื้อบนใบหน้าทั้งหมดจะถูกตกแต่งให้เป็นยิ้มงามทั่วตลอดยิ่งหากฝึกพูดความจริงพูดคำอันเสนะโสดพูดคาสมานฉันและพูดอย่างมีสติไม่พูดให้เกิดจิตที่บิดเบี้ยว ปากก็จะอยู่ในรูปรอยปกติที่ดูดีที่สุดไม่เบี้ยวบิดผิดรูปไปหากคิดทำเพื่อคนอื่นอยากอนุเคราะห์อยากเกื้อกูลอยากให้เขาได้ดีมีสุขขอให้สังเกตรัศมีความสุขไปด้วยจะเหมือนสว่างเรืองออกมาจากภายในสังเกตเรื่อยยิ่งทำถียิ่งทำมากรัศมีเรืองจากภายในจะยิ่งชัดจนบอกตัวเองได้อย่างหนักแน่นว่า มีใช่อุปาทานผิวหนังและกรอบหน้าของคุณจะฉายรัศมีเดียวกับที่คุณรู้สึกและคนอื่นก็จะรู้สึกตามแต่ช่วงใดใจร้ายใจจือใจดำสักพักรัศมีความรู้สึกดีๆนั้นก็จะหายไปจากกายใจด้วยความรู้สึกภายในกับเหตุการณ์ภายนอกค่อนข้างจะเป็นไปตามกันถ้ารัศมีความรู้สึกของคุณดีออกมาจากข้างใน ก็จะมีคนทักทายหรืออยากยิ้มแย้มให้คุณนั่นแปลว่าถ้าภายในของคุณเป็นมิตรกับโลกโลกภายนอกก็จะเป็นมิตรตอบคุณรัศมีความสว่างจากภายในแตกต่างจากการบำรุงผิวให้ดูขาวที่ภายนอกหากคุณเป็นคนมักโกรธชอบพูดคำหยาบเป็นนิดต่อให้ดั้งเดิมผิวคุณขาวในที่สุดก็จะหมวนลง แม้บำรุงด้วยการอาบน้ำแร่แช่น้ำนมให้ขาวสดุดตามองใกล้ชิดไป น, น, นานๆก็จะรู้สึกว่าไม่ชวนชื่นใจอยู่ดีเว้นแต่คุณมีทุนเก่าหนาคือมีคะแนนบวกที่ตกแต่งผิวพรรณให้งามมากมายเหลือเฟืออย่างนั้นผลของความมักโกรธและพูดหยาบก็อาจไปปรากฏรวบยอดในชาติถัดไปเป็นผิวหนังห ย, ยาบๆยบดำดำ สรุปคือแววตาก็ดีรูปตาก็ดีรอยยิ้มก็ดีความอิ่มเต็มและความเปล่งปลั่งของเนื้อหนังก็ดีล้วนเป็นเสมือนนิมิตที่ฉายออกมาจากจิตแสดงภาวะของจิตจิตคุณเป็นอย่างไรตัวตนของคุณที่ปรากฏกับภายนอกก็เป็นอย่างนั้นความเปลี่ยนแปลงทางกายของแต่ละคนไม่เหมือนกันและไม่สำคัญเท่าการเปลี่ยนแปลงของจิตแต่ก็เป็นเครื่องให้กาลังใจที่ดี เราเห็นน้ำเห็นเนื้ออย่างเป็นรู ป, ปรธรรมน่าพึงใจสำหรับผู้ยังติดอยู่กับรูปของตน